นอกน้อมต่อปาไตร่อให้ความเคารพอย่างเพิ่มเขียนที่นั่งเป็นประธานอยู่ขนาดนี้เขากราบเขาอการเพื่อนจากธรรมิกที่เคารพทุกๆรูปๆๆๆๆๆจเจริญพรจเจริญในธรรมอย่างคุณแม่ชีอุบาสกบาศิกาที่นั่งอยู่ในที่นี้ทุกๆท่าน เราก็มาศึกษาธรรมะธรรมชาติในกายในใจของเราผ่านความรู้สึกตัวตามคำบอกคำกล่าวกำชี้คำนำคำสอนของครูบาอาจารย์ที่เรามีความเชื่อถือให้ความเคารพจนเห็นรูปธรรมนาธรรม ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกโลกที่เป็นตัวเราตั้งต่หัวจนถึเท้าจิตวิญญาณเราก็รู้ผ่านความรู้สึกตัวเห็นธรรมชาตนะิที่มีการกระทบสัมผัสกันตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามันมีพัฒนาซึ่งกระทบมันก็เป็นความรู้สึกรู้สึกทางตาทางหูรู้สึกทางจมกูก รู้สึกทางกายอย่างเช่นตอนนี้มีหนาวเวลานั่งมีการกดทับกระทบสัมผัสรู้สึกรู้ทุกครั้งมันก็ไม่เข้าไปยึดเป็นอุปทานไม่เข้าไปยึดเป็นเราเป็นความพอใจไม่พอใจเจะเห็นเป็นอาการของมันที่มันมีอยู่แล้วไม่ว่าเราจะมารู้หรือไม่รู้มันก็เป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้ว ตัวการที่เรามารู้สึกตัวมันา็ทำให้เห็นความจริงขึ้นมาความจริงที่มีอยู่แล้วโดยที่เราก็จะได้ประโยชน์จากมันนะไม่งั้นจะยึดทำ เ, เป็นความพอใจเป็นความสุขเอาเป็นความไม่พอใจก็เป็นความทุกข์เราจะหลงเพล่ไปกลาการสุขสขุทุกทุกเนี่ยโดยที่เราไม่รู้เท่ารู้แันมันตลอดเวลาเวลา ดันความรู้สึกตัวก็จึงเป็นเครื่องมือเป็นลรื่องของธรรมที่เป็นคุณธรรมที่พาเราสู่มรรสู่ผลคืนสู่ความเป็นปกติของกายของใจเราไม่เอากายของเรามาเป็นความแก่ความเจ็บความตายมาเป็นความทุกข์ไม่เอาจิตใจโดยเพราะความคิดการปรุงการแต่ง เอ า, าเป็นความเสื่อมเอาเป็นการพัฒนาขึ้นมาพัฒนาภายนอกก็เรียกว่าวัตถุรูปกระทำการงานต่างๆก็ทําให้มันงดงามขึ้นมาเป็นความสะดวกเป็นประโยชน์เป็นความผาสุกอันเป็นเรื่องของการพัฒนาภายนอกแต่ภายในของเราเนี่ยจิตใจของเราจะเดินทางตรง สองก็ได้ชีวิตมนุษย์มานะก็คือเป็นลน้วนะของเอามาภาวนาภาวนาคือจิตใจของเรามันก็ดีวันดีขึ้นจากอบายภูมิความเสื่อมนะเปนตระหนักอสุรกายอายภนะูมิมที่เราเคยขําคขรวนเคยขัดแยง้งเอามาเป็นความป๋าสุขหรือว่าเห็นความจริงกันความจริงที่นี้ก็คือกายใจของเราเนี่ยก็คือรูน้ําขันหน้ามันจะเป็นเพียงแค่นะ ก้อนธาตุก้อนธรรมเป็นก้อนของธรรมชาติที่ไม่ใช่เราเป็นผู้สร้างสารรค์มันแต่มันเรื่องของธรรมชาติไฟบวกไฟลบไฟบนกระเพาให้เจริญไฟบาบไฟช่วยทำให้ตกต่ําให้เสื่อมอันนี้ก็เกิดจากการเคลื่อนไหวของเราเนี่แหละที่เราเคลื่อนไหวตามรูปแบบปฏิบัติโดยวิธีปฏิบัติแนวเคลื่อนไหวนี่เป็นหนึ่งใน5วิธี ที่สามารถเผยแผ่ไ ด, ด้ทั่วโลกโลกอยู่แล้วมันไปที่ไหนคนก็ยอมรับอยู่เพราะว่าคนเราส่วนใหญ่เราเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเหมือนกันทุกคนก็คือกลางคืนก็ฝันกลางวันก็คิดจะนั่งก็คิดจะเดินก็คิดจะนอนก็ฝันไปในอดีตในอนาคตเพราะเราได้นิมิตใหม่ก็คือการเคลื่อนการไหวของกายที่มันมีอยู่เป็นของหยาบเจตนากระทาลงไป เจตนาเคลื่อนไหวลงไปมันก็เป็นวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานที่ตั้งของการกระทําต่างๆมันเป็นวิชาจิตตภาวนาภายเราเกิดการยังรู้ขึ้นมาภายในที่เรา ว, วิปัสสนามันเป็นปัญญาที่องค์สมเด็จ ส, สัมารัเจ้าได้ชี้นำแสดงออกมาบอกสอนเราก็น้อมก็มาปฏิบัติ เมื่อพึงหัดดูแล้วมันก็เป็นจริงขึ้นมาเรียกว่าสัตธรรมซั จ, จ่าคือความจริงเมื่อมันมีความจริงเราก็เห็นความจริงการเคลื่อนการไหวของกายของใจเรามาแสดงออกถี่ยเลยือคิดเป็นสุขคิดเป็นทุกข์คิดแปรดี๋คิดแปรอนาคตหลางกายของเราแก้ทุกข์อยู่ตลอดเวลาหันซ้ายหันขวานั่งเดินยืนนอนกินขับถ่ายต่างๆ เราก็ใช้จัวะั่งมันเป็นความสะดวกผ่านความรู้สึกตัวนะทุกๆคนนะปัจจุบันขนาของเรานะธรรมชาติกาลังแสดงออกนะมันเป็นก็มันอยู่แล้วอย่างนั้นนะแต่การที่เรานะเข้าไปยึดจางหวการเคลื่อนการไหวนะกลายเป็นเรื่องของการแก่การเจ็บการตายเป็นทุกขนะ์บางทีเราก็เป็นลักษณะของนะความสุขแต่ว่ามันเป็นความสุขที่ไม่ปกตินะ ที่สังคมไม่ยอมรับมันก็มีร่างกายของเรางทีต้องเอามาใช้สูบุหรีแต่พอเรามีสติเราก็เห็นว่ามันไม่ได้ประโยชน์นะบุลีนี่ไม่ได้ประโยชน์เล่าก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ว่าสังคมทุกวันนี้ก็กนิยมทํากันอย่างนั้นแต่ว่าชุมชนของเราไม่ได้มีอย่างนี้ชุมชนนี้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมสุราเราก็ไม่ได้เอามาใช้ดื่ม อาหารเราก็ใช้เป็นลักษณะของอาหารที่เกิดจากธรรมชาติเผื่อกินได้ไม้เป็นยาอาหารแมคโรแบลติกหรือว่าลักษณะของอาหารตามฤดู ก, กาลมันกำเหมาะกับการใช้ชีวิตขนาดการกินการขับถ่ายหรือว่าการหลับการตื่นต่างๆเราก็ใช้จนเกิดความสะดวกหลังจากความรู้สึกตัวอัมพาม สติปัญญาบรรพาธรรมอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ขวนขวายเราก็อยู่ให้เขาเลี้ยงง่ายถือว่าเราประพฤติชีวิตประมาจันเราไม่ใช่มีความโรภแต่ว่ามันเป็นราบที่เกิดขึ้นมาราบก็คือเรื่อที่เราได้มานะเป็นเป็นโชคแต่ว่าถ้าเป็นความโลภมันก็จะอับโชคอับเฉาทันทีมันก็เป็นความสะดวกในการที่จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยเจศปัจจัยเจศ เป็นความสะดวกทางร่างกายของเราแต่ว่าปัจจัยสี่ภายในของเราก็คือความรู้สึกตัวมันเป็นสติเป็นศีลสมาธิเป็นสัมปชัญญาต่างๆที่จะเป็นเครื่องมือดําเนินจิตดำเนินใจของเราที่เคยคิดไปในทางต่ำมันก็เจตนาคิดในทางที่เป็นบุญเป็นความสุขเป็นความดีเป็นความงามต่างๆอีกนันก็คือจะคิดดีก็ตามจะคิดไม่ดีก็ตาม ถ้าเวลาเราสร้างความรู้สึกตัวเยเกิดขึ้นมาก็ถือว่าเป็นตัวลักคิดเป็นตัวที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเราก็สามารถที่จะเห็นจิตเห็นใจของเราสามารถที่จะสอนจิตสอนใจของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมันกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวจิตใจที่มีความคิดมีอารมณ์ในอดีตในอนาคตปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ตกเป็นสุขเป็นทุกข์ความภาคภูมิใจต่างๆหรือว่า วิตกกังวลไปในนาคด์คิดแล้วกลุ้มคิดแล้วกลัวคิดแล้วก็สับสนกลับมาคืนสู่ความเป็นปกติที่ความรู้สึกที่การเคลื่อนการไหวขณะที่ฝึกกรรมฐานมันเป็นอย่างนี้ขณะที่เราเคลื่อนไหวเราก็จะเห็นความจริงแล้วเจตนามันเป็นกรรมมันเป็นกรรมฐานเมื่อเราฝึกกรรมฐานแล้วก็ต้องใส่เจตนาลงไปเจตนาคิดดีพูดดีทดําดีมันก็เป็นบุญ นะพาไปสู่ความสุขพาไปสวรรค์คิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีมันก็ไปทางเสื่อมไปทางนรกนมีความขาดแยง้งมีความทุกข์อยู่ข้างในแต่ตัวกรรมฐานเนี้ยเราเจตนากระทำอันนี้มันก็เกิดผลเกิดคุณเกิดค่าขึ้นมารู้สึกอยู่ตรงไหนจิตมันก็อยู่ตรงนั้นแหละรู้สึกขณะที่ขยับมือจิตมันก็รู้เนืรู้ตัวอยู่เราก็เห็นได้ชัดเจนเลยอยู่กับปัจจุบันเนี ตรงนี้มันมีความเป็นปกติมันไม่ทุกข์อยู่เราก็เลยได้เห็นแล้วว่าเ อ, อกรรมฐานนี้เจตนากระทำก็เกิดผลขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ได้เจตนากระทำมันนี้ก็เป็นกัตตกกรรมเป็นกรรมที่ไม่ได้ผลอะไรนมันไม่เข้าใจแต่พอเรารู้สึกตัวเราใส่เจตนาลงไปมันมีผลทันทีนะะที่นั่นเราก็คืนสู่ธรรมชาตินจะมากบ้างน้อยบ้างก็เกินอยู่ที่ความต่อเนื่อง เราทำแบบขนาดหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งให้ผลครั้งหนขนาดหนึ่งเราทํห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันสองวันสามวันเราเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเนจนจิตของเรามันก็เบาขึ้นเบาขึ้นจิตของเรามันก็รู้สึกว่าเออมันว่างมันวางมันผ่อนคลายเป็นจิตที่มันไม่ทุกข์ถึงทุกข์กันน้อยรู้เท่ารู้ทันเกิดมาจากการหลงเพลิดไปหลงเพลิทางตาแล้วก็คิดต่อไปทางหัวคิดต่อเนีย ไปทางจมูกก็คิดต่อทางลิ้นลิ้มรสก็คิดต่อบางทีก็เป็นมโนกรรมมโนทวาวรเคยคิดเคยพูดเคยทำมาแล้วไว้เราทำกับคนอื่นคนอื่นปฏิบัติต่อเรามันก็ฝังเอาไว้ในจิตในใจประทับใจลงไปทั้งดีทั้งไม่ดีก็ถูกรู้ถ้ารู้ทันทุกครั้งที่จิตของเรามันมีสติโดยเพราะสติปพฐานเป็นสติที่กลับมาหาตัวเราแต่สัญญตทายาเนี่ยมันสติที่พุ่งออกไปน อาจจะเป็นการจับผิดการเพ่งโทษหรือว่าปรากตการต่างๆที่เราเอาถูกเอาผิดหรือว่าเอาเหตุเอาผลต่างๆมากมายมีการเปรียบเทียบนะเราก็กลับมาสู่ความรู้สึกตัวแต่ละวขณะที่เรามีความรู้สึกตัวมราก็รู้สึกว่าชีวิตมีพลังความเป็นปกติมันทำให้เกิดกำลังใจนะเราก็มีกำลังใจที่เรียกว่าพระเกิดขึ้นะเป็นกำลังของสตินะกาลังของสมาธิกาลังของปัญญานะ ตรงนี้มันก็เป็นชีวิตที่นรู้สึกว่ามีความสะดวกนะจะนั่งก็รู้สึกตัวจะเดินก็รู้สึกตัวจะพูดก็รู้สึกตัวจะฟังก็รู้สึกตัวมันเป็นความสะดวกนะมันก็จะไม่ได้เหมือนกับว่าติดๆ ต, ตันๆหรือว่านความรู้สึกมันไม่โล่งไม่โปร่งมันเป็นความอาัจฉริย์ทีเดียวความรู้สึกตัวที่มันพามาสุสภาวะของ การเปลี่ยนไปเรียกว่าปฏิบัติปฏิรูปปฏิวัตินะมันมีการเปลี่ยนไปค่อยเป็นค่อยไปก็มีบางทีมันปฏิบัติธรรมมันง่วงขึ้นมาบางทีก็เห็นจําแล้วจาอีกค่อยเป็นค่อยไปนะบางทีเริ่มต้นห้านาทีสิบนาทีก็มาอีกแล้วทุกครั้งเลยแต่บางทีมันก็พลิกไปเลยโดยการที่มันว่างสบายแล้วก็รู้สึกว่าตื่นตัว มีความขยันที่จะทำอะไรก็ตามมันมีลักษณะของความขยันแล้วก็ตาสว่างสวัยอยู่ข้างในเป็นล่องเป็นช่องเป็นทางมันเหมือนกับเป็นการแทรกออกมาจากที่ที่มันขับขันที่มันลำบากภายในจิตใจที่มันหนักมันแบกความคิดมันหนักความคิดก็มีมากมายบางทีก็คิดแบบกล่าวโทษเขาบางทีมันก็คิดแบบตีความเขา เอาเหตุเอาบนเอาถูกเอาผิดบาทีก็คิดแบบพั่บนอยู่ในทำไมต้องเป็นเรามา่อไรจะเช้าจะกินอะไรจะไปไหนดีนก็คิดแบบบน่นเราก็เห็นมันรู้จักมันผ่านความรู้สึกตัวเดเว่าที่ฐานกายที่เราเจตนาเจตนาที่ขนันฐานกายมันเป็นรูปธรรมเป็นของยาะ แล้วก็มันก็โยงด้วยนะระหว่างตัวเรากับสะสารสะสาร ส, สิ่ง ส, สิ่งเดียวกันเป็นเพียงแค่วัตถุแล้วมันก็จะมีอาการต่างๆปรากฏขึ้นมาซ้อนขึ้นมาเป็นรูปโรคนะเป็นนามที่เป็นโลกเป็นลักษณะของรูปที่เป็นทุกข์เป็นนามที่เป็นทุกข์มันจะแทรกซ้อนขึ้นมาเกิดจากการหลงไปรู้หลงไปรู้ก็หมายถึงว่า ลงไปติดรู้ในอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นการคิดรู้อีกอันก็คือเป็นการสัมผัสรู้การที่เราสัมผัสรู้เนี่ยมันไม่มีอะไรมันเป็นแค่ภาษาธรรมชาติอาการทางธรรมชาติเฉยๆอันนี้บริสุทธิ์แต่ที่มันไม่บริสุทธิ์เพาเราคิดตีความต่างๆใส่ลงไปอันนี้ก็กลายเป็นเรื่องของประสบการณ์ของทุกๆชีวิตที่จะต้อง ปฏิบัติแล้วเข้าถึงสภาวะที่เป็นอาการต่างๆที่มันแสดงออกมนาะทางร่างกายของเราก็มีอาการทางจิตใจมันก็มีอาการต่างๆปรากฏออกมาให้เราได้อ่านได้รู้ได้ดูได้เห็นแล้วก็ได้ผ่านผ่านตลอดของหยาบๆเลยคือกายของเราเนี่ยแหละจันเป็นวัตถุรูปธรรมส่วนจิตใจของเรานี่เป็นนามธรรมก็เห็นว่าสภาวะของจิตใจของเราเนี่ยจริงๆมันก็เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ ว่าอาการต่างๆที่มันจรเข้าจรออกนีอาการของจิตนะที่เป็นจิตที่หลงไปปรุงไปแต่งเป็นความไม่บริสุทธิ์นี่ยตันี้เป็นเป็นจิตที่เปื้อนเปื้อนเป็ น, เปนมลทินเครื่องเศร้าหมองแต่จิตเดิมแท้เนีเป็นจิตที่ประภัสดลนป่องใสอยู่มันเป็นจิตที่พร้อมที่จะใช้ทําดีเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ทตนต่อไป ตรงนี้เราเป็นความบริสุทธิ์ที่การฝึกสติแนวหลงบู่เทียนการเคลื่อนไหวไกายนะมันพาไปโดยที่เราไม่ต้องรู้ก่อนก็ได้ว่าข้างหน้ามันจะคืออะไรทุกครั้งที่กลับมาหาความรู้สึกตัวกลับมาสู่ความเป็นปัจจุบันโลงความเป็นจริงเราได้พบความสุขความเป็นปกติความความผาสุขที่เป็นความสุขเกษมสารไม่ใช่สุขที่เหมือนกับว่าตรงอิงวัตถุหนึ่งสองสามหรือว่าบุคคลหนึ่งสองสาม มันเป็นสุขที่เกิดจากธรรมชาติเติมเต็มแท้ๆที่มีอยู่ในชีวิตของเราจริงๆตรงนี้ไม่มีพาลละแล้วก็เป็นอิสระทางจิตวิญญาณมันเหมือนกับว่าเราได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาจะเรียกว่าชีวิตนะที่เราเคยได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อครูบาอาจารย์หรือว่าจากหนังสือต ำ, ำรับตําราก็ได้ว่ามันเป็นชีวิตพรหมจรรย์มันเป็นชีวิตที่นมันก็ว่าคุ้มค่ากับการที่เราได้เกิดมาแล้วก็ แสวงหาความสุขความสุขที่เคยได้จากบุคคลหนึ่งสองสามวัตถุหนึ่งสองสามจัดการวาดฝันหรือว่าพยายามที่จะเอาต้นแบบจากบุคคลอื่นๆแต่พอเรามาเรียนรู้วิชาของพระศาสนาวิชาพทธเจ้าผ่านคำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์รับน้อมเข้ามาปฏิบัติอยู่ในตัวเองรอเราเห็นว่ามันเป็นความสุขเกษมสารเต็มเป็นลักษณะของสุขที่มีในตัวเราเรียบร้อย ไปในหนะความสมบูรณ์แบบนะที่มันมีอยู่กับชีิตของเราที่ธรรมชาติมอบให้เพียงแค่เรามีความศรัทธามีความศรัทธามีความเชื่อว่ากรรมฐานเนี่ยมันไปสู่ความจริงของชีวิตเนือเกิดเหนือแก่เนืเจ็บนืาตายแล้วก็เหนือทุกข์แล้วก็มีปัญญาลงไปก็คือเราหนาะของเห็นต่างความเป็นจริงการเคลื่อนไหวของมือแต่ละขณะมือเคลื่อนปั๊บปิกมือแั่งก็รู้สึกตัวยกขึ้นมาก็รู้สึกตัวสัมผัสทุกครั้งน เราเก็บความรู้สึกตัวรู้อย่างเป็นกลางรู้อย่างกลมกลืนแล้วเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำอย่างถูกต้องเรียกว่ากรรมนะนะอย่างถูกต้องจนกระทั่งกรรมมันพัฒนาเป็นธรรมชาติเคลื่อนกับเคลื่อนเฉยๆอย่างนี้รู้สึกซื่อๆอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติไปเลยมันไม่ใช่เรื่องของว่าทําแล้วนะทุกยากลําบากหรือว่าเข็ดหลามมันเป็นเรื่องของการกระทําที่ เกิดความสะดวกคล่องตัวเราเห็นว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดานี่เองจิตก็คืนสู่สบาว่าปกติเมื่อเริ่มต้นรู้สึกตัวเราก็รู้ถูกอย่างนี้นะแต่ว่าใหม่ๆบางทีมารู้อาจจะเป็นการกดข่มเพ่งจ้องอันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นมือใหม่หัดฝึกมันจะมีอาการเพ่งจ้องจี้เข้าไปมันมีผลปฏิยาบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ใหม่หัดฝึกน ต่อมาก็มีการเผลอเผลอหลงออกไปทางตาบ้างทางหูบ้างหลงไปทางเสียงบ้างทางรูปบ้างมันหลงไปอันนี้ก็เผลอเหมือนกับหลงไปในวัตถุ ก, ก ร, รมคุณที่มันเคยให้คุณให้ค่าเราให้ค่ามันเป็นราคะอย่างี้ยวนบางทีก็เป็นปฏิฆะความพอใจไม่พอใจแต่พอเราเห็นว่าเออมันเผลอไปเอากลับมายเตัวตอบทักทวงตรงเนี้ เราสังเกตอ๋อมันก็เป็นความรู้สึกตัวที่ชัดขึ้นไปบางทีเราก็จะใช้ลักษณะของคําพูดจากครูบาอาจารย์บางทีเราหนังสือมั่งเป็นฐานจากตาดูหูฟังแต่ล้วเราก็มาปรุงแต่งคิดต่อน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้น่นาจะเป็นอย่างนู้ดเป็นการกล่อมตัวเองทําอย่างนี้เราจะดีอย่างนั้นทําอย่างนี้เราก็จะไปนิพพานเป็นความสะดวกมันก็คิดกล่อมตัวเอง ก็เรียกวเวลาเรารู้สึกตัวความคิดตัวอย่างนี้เราก็เอาออกให้หมดเลยเหลือแค่สัมผัสรู้ความรู้สึกตัวสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวทางจิตก็ปรับสมดุลของเา้าเข้าล่องเข้าลอยมืนจะเดินทางตรงเป๊ะเลยไม่ติดซ้ายเป็นทุกไม่ติดขวาเป็นสุขมันจะเป็นความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันก็จะมีแต่ความรู้สึกตัวตาดูก็รู้สึ ก, ก, สกหูฟังก็รู้สึกเราสังเกตว่ามันละเอียดลงไปไม่กระทั่งความคิดเกิดขึ้นมา เป็นนามธรรมแล้วก็รู้สึกมันก็จะมีอาการอยู่ในตัวของเราเนี่แหละปูปูไหวไหวว่าว่านะมันก็จะเป็นลักษณะของคิดแล้วก็เป็นบุญคิดแล้วก็เป็นบาปคิดแล้วก็เป็นดีคิดแล้วก็เป็นชั่วคิดแล้วก็เป็นความฉลาดคิดแล้วเป็นความไม่ฉลาดเป็นกุศลเป็นอกุศลเราก็เลยลักษณะว่ามีประสบการณ์ร่วมกัน เป็นความรู้สึกตัวที่เรามาผลิตร่วมกันมาสร้างร่วมกันเป็นลักษณะของกาลยามิตรมีหลวงพ่อครูบาอาจารย์เป็นลักษณะของความมั่นคงนที่เราก็มีความมั่นใจว่าท่านไม่พาเราลงทิศลงทางแล้วโดยเพราะความรู้สึกตัวที่มีอยู่ในตัวเรามันก็มีอยู่ลักษณะตลอดไปลอเวลาไม่เกี่ยวกับวันไม่เกี่ยวกับคืนเกี่ยวกับเรานะ ได้เห็นความรู้สึกตัวที่มันเกิดขึ้นจากการกระทําของเราจากรูปแบบจนถึงออกมานอกรูปแบบจําเป็นลักษณาของหน้าที่การงานกิจวัตรประจําวันทั้งวันความคิดของเราเลักษณาของความคิดที่เป็นคิดดีเราก็เห็นแล้วว่ามันก็โยงไปหาโลกใบนี้ความคิดต่างๆทาให้เกิดความสะดวกความเรียบร้อย ในสังคมนะหรือว่าเศรษฐกิจการเมืองต่างๆเนี่ยก็คือมันจะเป็นลักษณะของอาชีพการงานที่เป็นสัมมาอาชีวะนะอันนี้ก็ใช้กับทางโลกนะลักษณะของกฎหมายนะที่บัญญัติกันไว้อันนี้เราก็ใช้กับทางโลกนะหรือว่าลักษณะของศีลห้าศีลแปดศีลสิบต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของศีลสังคมเราก็ไว้ใช้กับทางโลกนะแต่ว่าภายในใจของเราเนี่ยนะมันก็จะมีของมันเหมือนกันก็นกคือลักษณะของร่องรอยนะ กลุ่มก้อนต่างๆของสภาวธรรมมันมีอยู่ข้างในของเราเนี่ยละนะคิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็ทำคนที่คิดดีก็พูดดีคนที่คิดไม่ดีก็พูดไม่ดีเราก็มีลักษณะของความคิดเนี่ที่เป็นลนักษณะของความบริสุทธิ์ที่มันมีอยู่ตลอดเวลาเวลาเลยอาจจะเป็นลนักษณะของความฟุ้งซ่านเล็กๆที่มันเกิดขึ้นมาอันนี้ก็ถูกรู้เท่ารู้ทันเหมือนกันเราก็จะต้องเจอทุกคน เราก็สร้างกันความรู้สึกตัวผลิตกันจนกระทั่งมันไม่ต้องพักไม่ต้องเพียรจนกระทั่งมันเข้าเนื้อเข้าตัวเข้าเลือดเข้าเนื้อเข้าจิตวิญญาณเมื่อไหร่ก็ตามมีแต่ความรู้สึกตั ว, ตต ن, ตมมวรู้สึกตั ว, ตวอันนั้นก็นหมายถึงว่าเราก็ได้ที่พึ่งเราก็สร้างที่พึ่งจนกระทั่งมันพอใช้ขึ้นนะที่พึ่งเบื้อ ง, งตน้นเราก็ทําในรูปแบบนี้แหละ iana. พึงกายจนกระทั่งมันเห็นเวทนาเพึงกายจนกระทั่งเห็นเวทนา สักเท่าไหร่เวทนาแล้วเวทนาคือสุขคือทุกบางทีมันก็เกิดขึ้นมาบางทีมันก็ไม่เกิดขึ้นมาเป็นลนักษณะของความไม่สุขไม่ทุกข์มันก็มีอยู่แต่พอเรามีความรู้สึกตัวขึ้นมาการเคลื่อนการไหวของกายเราเห็นอยู่ไอ้ความไม่สุขไม่ทุกขน์นี้มันจะไม่พัฒนาไปเป็นการทําดีการทําชั่วในลนักษณะของการที่เราไม่ได้ตั้งใจนะมันก็จะมีแต่ความตั้งใจทําดีขึ้นมา เกิดงานเกิดการขึ้นมางานก็ทําให้งามขึ้นมาอย่างนี้นจนทั้งเราสมัมผัสกันได้ก็นี้ความรู้สึกตัวที่ฐานกายมันมีประโยชน์ลักษณะที่ว่ากายมันเป็นวัต ถ, ถุรูปธรรมที่มันไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงมันมีอยู่จะดูตรงไหนก็เห็นมันชัดเจนแล้วเกินส่วนจิตนี่ครับเป็นลักษณะของนามธรรมที่มีมายาเยอะนะมายาอยู่ที่จิตเน่ยเยอะมากบางทีมันหลอกเก่งนะ แล้วก็เลยนะรู้แล้วตัวรู้ที่เกิดจากความรู้สึกกายเนะี่ยจนรู้สึกเวทนารู้สึกที่จิตรู้สึกที่ธรรมชาติต่างๆมันมีอยู่จริงเป็นสัจจะนะที่มีแล้วในตัวเราทุกคนนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมัจะเป็นความรู้สึกตัวที่มันไม่ใช่ลักษณะของธรรมะที่พาไปสู่ความเสื่อมทั้งหลายทั้งปวงเราก็เลือกเดินทางกัน จากจิตที่เป็นปุถิชนส่วนไบยภูมิยกขึ้นมาเป็นลนักณาของมนุษย์ที่เป็นคนก็ยกขร้นมาเป็นมนุษย์จนกระทั่งเป็นกษณะของกริยาณปุถิชนเป็นลัณาของอริยชนตรงนี้ก็คือไกลจากความทุกข์ไกลจากค่าศึกที่มันมีอยู่จริงๆแต่รเราเผลอหลงไปเมื่อไหร่จากความรู้สึกตัวก็นั่นหมายถึงว่าเราก็มามืด ไปมืดถ้าหลงผอจากความรู้ตัวนะก็กลายเป็นเรื่องของเรามาสว่างก็เดินทางไปมืดเหมือนกันเราก็จึงเดินทางเดียวกันมามืดก็ไปสว่างหรือว่าเรามาสว่างก็ไปสว่างยิ่งขึ้นไปอแล้วในท้ายสุดนี้เห็นว่าจงคนเกวาลาก็เห็นว่าคำพูนก็เป็นคำพูดที่นะรู้อย่างนี้ก็ได้พูดอย่างนี้ไป แต่เห็นว่าส่วนไหนส่วนหนึ่งที่ผิดทางไปก็ขอให้หลวงพ่อเขียนหรือว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงได้มีโอกาสได้เติมเต็มแล้วก็ตักเตือนต่อไปในท้ายสุดนี้ก็ขอให้การเพียรทำของเราทั้งหลายนั้นการประพฤติประจรย์ของเราทั้งหลายนั้นก็จงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกรูปทุกนามเถอ